คราวที่แล้วนะคะเราก็ฟังมาถึงตอนที่ว่าพระเรวตะได้ออกเดินทางอย่างรีบเร่งเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องพบกับรัตตปานีหรือลีลาวดีในชาติที่แล้วแต่สุดท้ายทั้งสองก็พบกันจนได้ลีลาวดีดีใจมากที่พบกับคนรักเก่าเธอได้ขอให้พระเรวตะลาสิกขาไปอยู่ด้วยกันเรื่องนี้ ก็คงต้องขอตำหนิลีลาวดีสักหน่อยนะคะว่าทักชวนพระคุณเจ้าศึกคงไม่เข้าท่านะคะลีลาวดียังตกอยู่ในห้วงความรักอย่างมากมายคนที่มีความรักทำอะไรยังไม่มีเหตุผลเห็นตัวอย่างได้ชัดจากลีลาวดีนี่เองค่ะที่นี้ฝ่ายพระเรวตัตยังมีความอาลัยรักในตัวลีลาวดีอยู่นะคะแต่ท่านก็ตัดใจปฏิเสธแซงทําเป็นว่า จำลีลาวดีไม่ได้จากนั้นพระเรวตะก็ได้เดินทางจากไปเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ลีลาวดีเสียใจมากทีเดียวจนเป็นลมสลบไปพอฟื้นขึ้นมากุคร่ำครวญเพอ้อหาแต่พระเรวตะเราก็ฟังมาถึงตอนนี้นะคะลีลาวดีจะได้คิดขึ้นมาบ้างหรือไม่ เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านรับฟังได้หนบัดนี้ค่ะครู่ใหญ่ผ่านไปเธอจึงฟื้นขึ้นคำแรกที่หลุดออกมาจากปากของเธออย่างแผ่วเบา <c oughs> ก็คือเรวตะกลับมาก่อนกลับมาก่อนอย่าเพิ่งจากดีโรดีไป อย่าไปลำพึงลำพันถึงเขานักเลยรัตนาปาณีเอ้ยชายชาราผู้เป็นลุงพูดขึ้นด้วยน้ำตาครอ น, น่วยเพราะความสงสารเห็นใจหลานสาวลุงเชื่อว่าพระพิสุรูปนั้นคงจะไม่ใช่พระเลวตะคนรักของเธอแน่ๆใช่แน่นอนลีารดียืนยันด้วยเสียงเบ า, เบา ไม่มีใครเลยในโลกนี้ที่ลีลาวดีจะจำได้ดีเท่าเขาการที่คนสองคนจะเหมือนกันทุกประการโดยไม่มีข้อแตกต่างเลยย่อมเป็นไปไม่ได้แม้แต่ลูกฟ้าแฝดก็ยังมีส่วนที่แตกต่างกันอยู่บ้างลีลาวดีเชื่ออย่างเต็มที่ว่าภิกษุรูปนี้คือเลวะตะคนรักของลีลาวดีไม่ใช่ความเชื่ออย่างเดียวแต่เป็นความรู้อย่างแท้จริงด้วยเธอยันกายลุกขึ้นนั่งเอามือทั้งสองข้าง เท้าไว้ที่เขาตามองออกไปข้างหน้าตามทิศทางที่พระเถระเดินทางแต่บัด น, นี้พระเถระได้เดินลับหายเข้าไปในป่าที่ชายทุ่งนาเสียแล้วถ้าเป็นเลวตะคนรักของเธอจริงชายแก่ให้เหตุผลต่อไปเขาก็น่าจะดีใจอย่างเหลือล้อนที่ได้พบเธอน่าจะยินดีสนทนาปลาใสกับเธอและน่าจะตัดสินใจอยู่กับเธอเพราะเขาต้องรู้แน่นอน โดยไม่ต้องสงสัยว่าเธอคือลีลาวดีแน่เพราะเย็นวันนี้ลุงได้ไปสนทนากับเขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเธอให้เขาฟังจนหมดสิน้นเพราะลุงก็ไม่รู้ว่าเขาคือเรวัตะแต่นี่เขากับทำกับเธอคล้ายเป็นคนอื่นลุงจึงไม่อาจจะเห็นเป็นอย่างอื่นได้นอกจากว่าเขาไม่ใช่เรวัตตะตัวจริงเท่านั้นใช่แน่นอนคุณลุงขาลีลาวดียืนยันตามเดิม ชายชลานั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดขึ้นว่าใช่หรือไม่ใช่เราก็จะได้รู้กันอย่างแน่นอนเมื่อเราเดินทางไปถึงกรุงราชฤกษ์แล้วขอให้เราเดินทางต่อไปไม่มีประโยชน์หรอกคุณลุงขาลีลาวดีกล่าวพลางสันสีส่าชา้าช้าไม่มีประโยชน์หรอกเมื่อเราไปถึงราชฤกษ์เราก็จะพบว่าเขาไม่อยู่ที่นั่นเสียแล้วคนทั้งหลายจะบอกเราว่าเขาได้เดินทาง ไปยังเมืองพาราณสีเสียแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะทําอย่างไรต่อไปชายชราถามด้วยใบหน้าแสดงถึงความวิตกกังวลอย่างยิ่งก็ไม่มีทางอื่นนอกจากกลับคืนสู่พาราณสีรัตนปาณีตอบกลับคืนสู่พาราณสีหรือชายชราทวนคําด้วยความตกใจถูกแล้วคุณลุงขาเราจะกลับคืนสู่พาราณสีวันนี้เดี๋ยวนี้ลุงของเธอ จ้องดูหลานสาวอย่างงงๆแล้วพูดว่ารัตนาปานีแล้วสินค้าของเราเล่าเราจะทําอย่างไรจะนํากลับคืนพราณาศีโดยไม่ได้ขายเลยกันนั้นลึืถ้าคุณลุงห่วงสินค้าคุณลุงก็นําขบวนเกวียนเดินทางไปยังกรุงราชฤท์เถิดนิ่เราดีจะกลับพราณาศีเองหญิงสาวตอบอย่างเด็ดเดี่ยวเมื่อได้ฟังคําขาดของหลานสาวเช่นนั้นชายชะลาสาวกของนิครนก็พูดไม่ออก ถ้าเขาจะเดินทางไปยังกรุงาราชฤทิ์ต่อไปปล่อยให้ลีโลววดีกลับบ้านพร้อมกับคนอลักขาสองสาคนเขาจะต้องถูกตำหนิยอย่างหนักจากเมติยะเสรษฐีวิดาของเธอและเป็นสิ่งไม่บังควรทำอย่างยิ่งเพราะระยะทางกลับคืนสู่พรานศีเป็นระยะทางไกลพอประมาณจะต้องใช้เวลาเดินทางถึงสองวันและยังเป็นระยะทางที่ประกอบไปด้วยอันตรายต่างๆอีกด้วย ถ้าเขาปล่อยให้รัตนาปาณีกลับและเธอได้รับอันตรายไปบิดามารดาของเธอจะไม่ให้อภัยแก่เขาเป็นอันขาดหลังจากคิดทบทวนอยู่นานเขาก็ตัดสินใจจะพารัตนาปาณีกลับคืนสู่กรุงพาราณสี ที่สุดขบวนเกวียนอันยาวเหยียดก็บ่ายหน้ากลับคืนสู่กรุงพารณาณสีท่ามกลางความตกตรลึงและความไม่พอใจของบรรดาลูกเกวียนทั้งหลายฝ่ายพระเดวตะเถระเราหลังจากนำตัวรอดพ้นจากปากเกียวปากกามาได้อย่างหุดหวิต ก็รีบเดินทางมุ่งหน้าสู่พระนครพาราสีต่อไปการเดินทางอย่างรีบเร่งทำให้ท่านมาถึงกรุงพาราสีในตอนบ่ายของวันที่สองนั่นเองภาพของเมืองพาราสีนครอันเก่าแก่ที่สุดแห่งชมพูทวีปทำให้ท่านตื่นตาตื่นใจไม่น้อยพระเถระได้หลบจากแสงแดดอันร้อนแรงแห่งเวลาบ่ายเข้าไปพักอาศัยอยู่ใต้ร่มไม้มืเดือต้นใหญ่ต้นหนึ่ง ริมฝั่งน้ำคงคาจาก ท, ที่ท่านนั่งอยู่นั้นท่านสามารถมองเห็นภาพทิวทัศน์ของกรุงพาราสีได้อย่างชัดเจนข้างล่างลงไปเป็นน้ำสีเขียวเย็นสะอาดแห่งแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ไหลเอื่อยๆไปสู่ทิศตวันออกมองไปทางชายฝั่งด้านเมืองพาราสีพระเถระเห็นตลิ่งอันสูงชันและดาดไปด้วยบันไดหินเป็นขั้นๆลดตันลงไป จากขอบตริง่งถึงชายน้ำเบื้องล่างบนบันไดหินเหล่านั้นพระเถระเห็นฝูงคนจำนวนมากเดินไปมาขวักไข่ตามชายน้ำมีคนเป็นจำนวนพันกำลังอาบน้ำสงน้ำล้างบาปตามลทัทธิของศาสนาพราหมณ์ซึ่งเชื่อว่าน้ำในแม่น้ำคงคาเป็นน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ไหลามาจากสวรรค์ผู้ใดได้อาบได้ดืม่มผู้นั้นจะบริสุทธิ์พุทธงจากบาปกรรมทั้งมวล ตามลานอินใกล้ๆชายน้ําพระเถระได้สังเกตเห็นมีกองไฟหลายกองมีควันพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าท่านได้ทราบมาว่ากองไฟเหล่านั้นคือเชิงตะกรันเผาศพนั่นเองประชาชนต่างเชื่อกันว่าผู้ใดเมื่อตายแล้วได้เผาศพที่ชายฝั่งแม่น้ําคงคาและกระดูกเท่าทานได้รับการกวาดสู่แม่น้ําคงคาผู้นั้นจะได้ขึ้นสู่สวรรค์ชั้นฟ้า าะนั้นทุกคนจึงปรารถนาที่จะไปตายลิมฝั่งแม่น้ํำคงคาปรารถนาที่จะให้ซากศพของตนถูกเผาและกวาดลงในแม่น้ํำคงคาบางคนพอป่วยหนักเห็นว่าจะไปไม่รอดแน่แล้วพวกญาติก็จะช่วยกันหามไปยังฝั่งแม่น้ําคงคาอย่างรีบเร่งเพื่อให้ไปสิ้นใจลิมฝั่งแม่น้ําคงคาพวกเศรษฐีมหาเศรษฐีตลอดถึงกษัตริย์มหาสาร ตามมหาศาลจากต่างบ้านต่างเมืองเมื่อแก่ชราใกล้ความตายมักจะมาสร้างเครือหัดปราศาสตรเรือนยอดอยู่อาศัยคอยความตายอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำคงคาในเมืองพาราณสีเพื่อว่าตนจะได้ตายบนฝั่งแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ได้ทันท่วงทีสูงเหนือตริ่งขึ้นไปเต็มไปด้วยศาสนาสถานเทวลัยสถุปเจดีหลายชนิดหลายขนาด สำหรับให้นักญาติสแวงบุญได้ทำการบูชาบวงสรวงต่อเทพเจ้าของตนยอดศาสนสถานเทวไรัยอันนี้เมื่อมองดูจากที่ไกลจะเห็นสูงต่ำลดหลั่นกันระเกะระกะอยู่ทั่วไปเมื่อเห็นภาพเหล่านี้แล้วพระเถระก็หวนคิดถึงนิมิตปาระหลาดที่ท่านได้เห็นในสมาธิเมื่อนานมาแล้วภาพจริงที่ท่านได้เห็นอยู่เฉพาะหน้าช่างเหมือนกับภาพในนิมิต ที่ท่านเห็นไม่มีผิดเลยความจริงข้อนี้ทำให้ท่านเชื่อมั่นยิ่งขึ้นว่ารัตนปาณีที่ท่านพบในระหว่างทางเป็นลีลาวดีจริงแต่ท่านก็จะยังไม่ปร่งใจเชื่อสนิทจนกว่าจะได้เข้าไปพิสูจน์คดงหาดของเธอภายในพระนคร พระเทระลงไปอาบน้าในแม่น้ำคงคาเย็นสบายกายสบายใจดีแล้วก็รีบขึ้นมาเก็บบริขารออกเดินทางสู่กรุงพารณาณสีท่านเดินทางสังเกตการไปตามริมฝั่งแม่น้ำคงคาจนกระทั่งมาถึงถนนสายหนึ่งซึ่งดูเป็นที่คุ้นเคยสำหรับท่านเมื่อเดินตามถนนนั้นไปก็ได้พบกับกำแพงสูงแบบเดียวกับที่ท่านไดนิมิตเห็นตรงกลางกาแพงมีประตูใหญ่ เมื่อมองข้ามประตูใหญ่เข้าไปท่านก็เห็นทางเดินอันสะอาดราบเรียบตงรงเปยงคลือหาดหลังใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ภายในสวนดอกไม้ต้นไม้อันน่ารื่นรมในนิมิตของท่านพระเถระได้เห็นลีลวดีเดินหายเข้าไปในคลือหาดหลังนี้เองเป็นความจริงอย่างแน่นอนโดยไม่มีข้อสงสัยพระเถระพูดกับตัวเองเบาๆที่นี่คือบ้านของเมตยเศรษฐี พิดาของลีลาวดีแน่ๆถ้าอย่างนั้นรัตน ป, ปาณีก็คือลีลาวดีจริงๆโดยไม่มีข้อสงสัยโอ้ลีลาวดีผู้น่าสงสารเมื่อพิสูจน์ความจริงตามนิมิตจนพบแล้วพระเถระก็ออกเดินทางจากบริเวณ น, นั้นกลับคืนสู่ฝั่งแม่น้ำคงคาจุดประสงค์ของท่านก็เพื่อจะชมภาพทิวทัศน์ของแม่น้ำคงคาและดูพิธีาศาสนาต่างๆ ซึ่งดำเนินไปตลอดเวลาบนชายฝั่งแม่น้ำคงคานั้นขณะนั้นเป็นเวลาเย็นมากแล้วตามริมฝั่งแม่พระคงคาจึงเต็มแน่นไปด้วยฝูงชนคนทุกชั้นทุกเพศทุกวัยที่ลงมาสงสนานกาย พระเทระเดินฝ่าฝูงคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงคนหมู่ใหญ่ซึ่งกำลังนั่งแวดล้อมโยคีตนหนึ่งที่กำลังนอนอยู่บนน้ำกองใหญ่ด้วยอาการสงบถูกน้ำอแหลมคมน่ากลัวทิ่มแทงผิวหนังด้านล่างจนมีโลหิตไหลซึมออกมาเป็นบางแห่งเพียงเท่านั้นดูเหมือนจะยังเจ็บน้อยไปสำหรับโยคีผู้บาเพ็ญอัตตกฤีมาธานุโยกเขายัางเอาเข็มจานวนร้อย แทงทะลุผิวหนังด้านบนกลัดติดไว้แล้วยังเอาได้ผูกผลส้มทวงไว้ที่เข็มเด่านั้นอีกมีโลหิตไหลออกมาแห้งเกละกลังเป็นทางตามผิวหนังที่ถูกเข็มแทงทั่วไปมีมแมลงวันจำนวนมากจับดูดกินโลหิตเป็นกลุ่มๆประชาชนที่มาเห็นเข้าต่างก็นั่งยกมือไหว้ส ว, นมนมมวดมนต์พึมพำวางผลไม้ขนมและเงินเหรียญกากกนิกไวร้รอบๆตัวโยคีแล้วก็ผ่านไป พระเรวตะเถระได้เดินผ่านฝูงชนกลุ่มนั้นไปยังคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งส่วนมากเป็นหญิงผู้สูงอายุกำลังนั่งแวดล้อมพราหมณ์แก่คนหนึ่งซึ่งกำลังอ่านคัมภีร์พระเวทด้วยท่วงทํานองอันไพเราะน่าชวนฟังประชาชนต่างนั่งพนมมือฟังด้วยความเคารพพอพราหมณ์แก่อ่านจบตอนหนึ่งหนึ่งคนฟังต่างยกมือท่วมหัวเปล่งเสียงสาธุการ โยนเงินเหรียญใส่ในภาชนะที่วางอยู่ข้างหน้าพระามแก่เป็นเครื่องบูชาแล้วก็หลีกไปพระเถระเดินผ่านคนกลุ่มนี้ไปยังคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งกําลังนั่งล้อมดูโยคีตนหนึ่งกําลังนั่งอยู่บนเชิงบันไดหินเขากําลังนั่งในท่าคัศมาธิมือข้างซ้ายวางอยู่บนตักมือข้างขวาชี้ตรงขึ้นไปบนท้องฟ้าชายคนหนึ่งกําลังยืนดูโยคีตนนั้น ด้วยความนิยมชมชอบได้หันมาพูดกับพระเถระว่าเห็นไหมพระคุณเจ้าของเรากำลังนั่งบำเพ็ญตะบะอันอุกฤษอธิษฐานยกมือไว้บนศรีรษะเป็นเวลาหลายปีแล้วไม่ยอมเอามือลงจนกระทั่งมือเหี่ยวแห้งเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกปลายด้านเอาลงอีกก็ไม่ได้ได้รับเวทนาแสนสาหัสท่านเราปฏิบัติย่อหย่อนตามสบายจะได้รับผลอะไร พระเถระตอบว่าพระคุณเจ้าของท่านปฏิบัติอย่างเข้มงวดผลที่ได้รับก็คือทุกขเวทนาทางกายและทางใจอันเข้มงวดอัตมาปฏิบัติอย่างสบายผลที่ได้รับก็คือความสุขสบายทั้งกายและใจเสียงตอบของพระเถระดังพอที่จะได้ยินไปถึงหูของโยคีตนนั้นเขาหันหน้ามาทางพระเถระและจ้องดูด้วยสายตาแสดงความคุนเคืองอย่างยิ่งแต่ไม่พูดว่าก็เล พระเถระเดินผ่านคนกลุ่มนั้นไปยังคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งกำลังยืนมุงดูโยคีประชลัอีกคนหนึ่งที่กำลังนอนขดตัวกลิ้งอยู่บนแผ่นดินโยคีตนนี้ได้นอนลงบนแผ่นดินแล้วก็กลิ้งตัวเดินทางมาตั้งแต่เมืองสาเกตโดยไม่ยอมลุกขึ้นเดินเลยเพราะฉะนั้นตามเนื้อตามตัวของเขาจึงเต็มไปด้วยรอยด้านและบาดแผลฝุ่นละอองเกะกลงังเต็มไปหมด คนที่ยืนดูโดยรอบต่างยกมือไหว้ด้วยความเลื่อมใสและโยนเงินทองและเครื่องประดับกายลงไปรอบๆตัวเขาเป็นกองใหญ่เพื่อเป็นการบูชาโยกีตนนั้นและส่งเสียงสวดเวพรทุกๆครั้งที่มีคนโยนของบูชาเดินต่อไปอีกเล็กน้อยพระเถระก็มาถึงขั้นบันไดหินชั้นล่างริมฝั่งน้ำณที่นี้ท่านได้เห็นากศพคนตายเป็นจานวนสิบ วางอยู่บนแคร่ไม้ไผ่เรียงรายไปตามบันไดหินเพื่อรอคอยการเผาแต่ละศพพันด้วยผ้าสีต่างๆประดับประดาด้วยดอกไม้หลากสีแวนล้อมด้วยเหล่าญาติซึ่งกำลังร้องไห้คร่ำครวญด้วยความอะไยลักบางครั้งก็สวดมนต์ส่งวิ ญ, ญญาณให้คนตายได้ขึ้นไปสวยสุขบนสวรรค์ชั้นฟ้าบางคนก็เอาขันตักน้ำในแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมารด บนศพเพื่อความเป็นสิริมงคลที่บันไดชั้นล่างลุไปพวกสั ป, ปเหรก็กําลังคุรีกุจอเผาศพด้วยความเรียบร้อยศพที่ได้รับการเผาจนไฟงวดแล้วก็ถูกกวาดลงไปในแม่น้ํำคงคาแล้วก็เอาศพอื่นขึ้นมาเผาติดต่อกันไปโดยไม่ได้ขาดสายในว่าไฟที่เผาศพที่ฝั่งแม่น้ำคงคาตรงหน้าเมืองพารานสี น, นี้ลุกติดต่อกันมาโดยไม่เคยดับเลย เป็นเวลาหลายพันปีมาแล้วพระเถระยืนเพ่งดูภาพอันนาสลดใจเหล่านี้เจริญมรณสติอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เดินเลยไปข้างหน้า เราไม่สามารถจะทนต่อควันไฟอันตรบอบอวลความร้อนจากเปลวไฟและกลิ่นศพได้เดินไปได้ครู่หนึ่งท่านก็มาถึงหมู่บ้านที่กําลังลุมล้อมศพอีกคนหนึ่งเมื่อพระเถระชะโงกหน้าเข้าไปดูแทนที่จะพบศพเดียวดังคาดกลับมีสองศพวางไว้ข้างเคียงกันศพหนึ่งเป็นศพหญิงสาวพันด้วยผ้าสีชมพูประดับด้วยดอกไม้เปิดไว้เฉพาะตรงหน้าศพ อีกศพหนึ่งเป็นศพชายหนุ่มพันด้วยผ้าขาวเปิดหน้าไว้เช่นเดียวกันพระเถระเพ่งดูศพทั้งสองด้วยความสนใจอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เดินไปยังชายแก่คนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่บนบันไดหินอยู่คนเดียวห่างจากฝูงคนออกไปเล็กน้อยอุบาสกพระเถระออกปากถามชายแก่รู้สึกว่าศพทั้งสองนั้นยังเป็นหนุ่มสาวสดชื่นอยู่ทั้งคู่ และมีญาติพี่น้องมาชุมนุมกันมากเป็นพิเศษมีอะไรเกิดขึ้นหรือโอ้มันเป็นเรื่องเศร้ามากท่านสมณะชายชราพูดพลางสั่นศรีรษะอย่างอ่อนอกอ่อนใจมันเป็นเรื่องของความรักซึ่งไม่รู้จักคําว่าชาติวันณนะขอนิบูลท่านนั่งลงก่อนท่านสมณะถ้าท่านสนใจข้าพเจ้าจะเล่าเรื่องให้ท่านฟังพระเถระนั่งลงบนแผ่นหินข้างๆชายแก่ แล้วพูดว่าเรื่องมันเป็นอย่างไรอุบาสกโปรดเล่าให้อัตมาฟังด้วยโอ้ญิงสาวคนนั้นชื่อสุชาดาเป็นทิดาของเศรษฐีวันพรามคนหนึ่งในพระนครพาราณศีนี่เองชายแก่เริ่มบรรยายเออส่วนชายหนุ่มคนนั้นก็ชื่อว่าสุภาหุเป็นคนวันณะสูตรเป็นทาบดับใช้อยู่ในคฤหาสน์ของสุชาดานั่นเองต่อมาภายหลังคนทั้งสอง ก็ได้เกิดรักกันขึ้นยังดูดดื่มหญิงสาวได้แอบไปพบกับทาตหนุ่มคนรักของนางในตอนค่ําคืนแล้วก็ชักชวนให้ทาตหนุ่มพานางหนีไปเสียจากบ้านนั้นเพื่อไปเสวยสุขร่วมชีวิตกันในทิ่อื่นที่ไม่มีคนรู้จักแต่ชายหนุ่มไม่ยอมเหตุที่ไม่ยอมก็เพราะว่าเขาเป็นทาตเก่าแก่ของตระกูลนั้นปู่ของเขาและพ่อของเขาได้เป็นทาตรับใช้ตระกูลนั้นมาเหมือนกัน สุภาหุจึงได้แต่รับความเมตตาปลาณีจากเศรษฐีผู้เป็นบิดาเป็นพิเศษไม่ต้องทำงานหนักเหมือนกับทาสคนอื่นๆเขาสำนึกในบุญคุณของท่านเศรษฐีจึงไม่อยากกระทำการอันเป็นการเนรคุณต่อผู้มีพระคุณแล้วสุภาหุมิได้รักสุชาดาดอกหรืออุบาสกพระเถระถามขึ้นคางถอนให้ใจอย่างหนักหน่วงเพราะรู้สึกว่า เรื่องนี้มีส่วนคล้ายคลึงกับชีวิตในอดีตของท่านมากเออรักเหมือนกันท่านสมณะรักมากเสียด้วยแต่มันช่างเป็นรักที่เต็มไปด้วยอุปสรรคอะไรเช่นนั้นเป็นรักที่ไม่มีทางจะสมหวังเอาเสียเลยเพราะเขาเป็นเพียงทาตและเป็นวัรนัสูรอันต่ำต้อยด้วยในขณะที่คนรักของเขาเป็นนายและเป็นวรรณะพรามอันสูงส่งเขาได้คอร้องให้สุชาดาลืมเขาเสีย เลิกติดต่อกับเขาเสียเพราะการติดต่อกันจะนําภัยพิบัติอันใหญ่หลวงมาสู่วงตระกูลของสุชาดาเองเขาได้พร่ำแนะนําสุชาดาให้สำนึกถึงชาติตระกูลของเธอแต่เนื่องจากความตาบอดด้วยความรักสุชาดาหาได้ยินยอมไม่เธอยังคงแอบติดต่อกับเขาและก็รบเร้าเขาให้เขาพาเธอหนีไปบ่อยยิ่งขึ้น ที่สุดความสัมพันธ์รักของคนทั้งสองก็ล่วงรู้ไปถึงหูเศรษฐีผู้เป็นบิดาท่านเศรษฐีโกรธเคืองมากท่านด้เรียกเขาสุภาหุมาดุด่าด้วยคำหยาบคายต่างๆให้โบยตีจนพอแก่ความโกรธแล้วก็ให้ขับไล่ไปเสียจากคฤหาสน์สุภาหุได้ออกจากคฤหาสน์ไปเที่ยวรับจ้างเขาทำงานหนักต่างๆเลี้ยงขีพด้วยความยากลาบากฝ่ายสุชาดา เมื่อทราบว่าสุภาหุคนรักถูกไล่ออกจากบ้านก็เกิดความเสียใจอาลัยอย่างยิ่งนางได้ส่งคนใช้ผู้ใกล้ชิดออกเที่ยวตามสืบหาที่อยู่ของสุภาหุเป็นการลับอยู่เป็นเวลาหลายวันในที่สุดก็ทราบที่อยู่ของเขาหลังจากนั้นนางก็ให้คนใช้นำเสื้อผ้าอาหารไปให้สุภาหุเป็นการลับเป็นประจำนางเองก็แอบไปพบเขาเป็นครั้งคราวเหมือนกัน ต่อมาท่านเศรษฐีผู้เป็นบิดาก็ได้ทราบความลับนี้อีกจึงจับธิดาสาวขังไว้บนปราสาทชั้นที่เจให้คนรักษาปราสาทนั้นไว้อย่างแข็งแรงทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ให้ธิดาสาวออกจากปราสาทไปไหนอีกต่อไปในเวลาเดียวกันนั้นท่านเศรษฐีก็บังคับสุภาหุให้หนีไปอยู่เสียที่ไกลๆซึ่งสุชาดาจะตามไปพบไม่ได้อีกแล้ว เมื่อถูกขังหมดอิสรภาพและหมดโอกาสที่จะได้พบกับคนรักสุชาดาผู้ตกอยู่ในห่วงมหันตุกก็หมดความอะไรมั่ตอยากในชีวิตเว้นขาดจากการบริโภคโภชนอาหารทุกประเภทโดยตั้งใจจะทรมานตนให้ถึงแก่ความตายฝ่ายมาดาบิดาก็เฝ้ารบเลา ว, วิงบอนให้ธิดาคนเดียวบริโภคอาหารโดยเกรงว่าจะสูญเสียธิดาผู้เป็นทิรักดังดวงใจ หลายวันผ่านไปสุชาดาจึงรับปากว่าจะบริโภคอาหารธรามารดาบิดาจะกระทําตามความปรารถนาของนางสักอย่างหนึ่งความปรารถนาของนางก็คือนางขอพบหน้าสุภาหุคนรักอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายมารดาบิดาเห็นว่าความปรารถนาของนางเป็นสิ่งพอจะกระทําได้โดยง่ายจึงตกลงยินยอมเศรษฐีผู้เป็นบิดาได้ส่งคนไปเที่ยวตามหาสุภาหุ เป็นเวลาถึงสามวันจึงไปพบเข้าที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนอกเมืองทีแรกเขาไม่เชื่อและไม่ยอมกลับไปบ้านท่านเศรษฐีเพราะเกรงว่าจะได้รับอาทยาจนถึงตายต่อเมื่อเศรษฐีเองไปบรรยายเรื่องราวให้ฟังและรับรองในความปลอดภัยเขาจึงยอมเข้าสู่กรุงมพาราณาศีท่านสมณะถ้าท่านฟังอย่างผิวเผินท่านจะรู้สึกคล้ายกับว่าเรื่องนี้เกิดขึ้น เมื่อน า, นานมาแล้วแต่ความจริงเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเช้าวันนี้เองเมื่อหนุ่มสาวทั้งสองถูกนํามาเผชิญหน้ากันที่พื้นชั้นล่างของปราสาทนั้นสุชาดาได้ยืนจ้องดูคนรักของนางได้วยดวงตาอันละห้อยอยู่เป็นเวลานานคั้นแล้วท่ามกลางความตกตะลึงพลึงเพลิดของคนที่ยืนอยู่โดยรอบนางได้หยิบเอากริดอันแหลมคมที่นางได้ซ่อนไว้ในพกผ้าที่สีเอวออกมา แล้วก็จ้วงแทงที่หน้าอกด้านซ้ายของตนเองโลหิตพุ่งออกมาแดงฉานเต็มพื้นห้องแล้วสุชาดาก็ลม้มลงขาดใจตายทันทีท่านใดนั้นสุภาหุได้วิ่งไปที่ร่างของคนรักถอดเอากลิตออกมาจากอกของนางแล้วก็จ้วงแทงอกเบื้องซ้ายของตนเองด้วยกลิบเล่มเดียวกันลม้มลงขาดใจตายอยู่ข้างๆศพของคนรักนั่นเองเออท่านสมณะ มันเป็นภาพที่น่าหวาดเสียวและน่าสังเวชสลดใจที่สุดเท่าที่ข้าพเจ้าเคยเห็นมาชายแก่หยุดเล่าพลางสันสีสะอย่างอ่อนอกอ่อนใจพระเถระขอบใจชายแก่ที่ได้เล่าเรื่องให้ฟังลุกขึ้นเดินไปชะโงกหน้าดูศพ ของลุ่มสาวทั้งสองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลำพึงลำพันอยู่ในใจว่าสุชาดาเป็นอีกคนหนึ่งที่ยินดีสละชีพบูชาความรักพระเถระเดินเลยชนกลุ่มนั้นไปด้วยความคิดอันสับสนวุ่นวายภาพใบหน้าของลีลาวดีปรากฏขึ้นในห้วงนึกหลอกหลอนมโนธรรมของท่านตลอดเวลา คืนวันนั้นพระรวตะเถระได้ไปปักกรดพักค้างคืนใต้ต้นไทรใหญ่ใกล้กับเทวสถานแห่งหนึ่งริมฝั่งแม่น้ำคงคาในเวลาเย็นประชาชนทุกเพศทุกวัยเมื่ออาบน้ำชำระร่างกายในแม่น้ำคงคาแล้วย่อมจะไปแวะนมัสการเทวรูปในเทวสถานแห่งนั้นจึงมีผู้คนพุกพล่านอยู่ตลอดเวลาตัวเทวสถานเองสร้างด้วยศิลา มีสันฐานสี่เหลี่ยมมีประตูเข้าทางทิศตะวันออกประตูเดียวภายในเทวสถานเป็นห้องโถงกว้างใหญ่มีเสาศิลาขนาดมหฮือมาเรียงเป็นแถวค้าเพดานเบื้องบนไว้องค์เทวรูปเองสร้างด้วยศิลาดำสนิทประดิษฐานอยู่บนแท่นสูงภายในมณฑปกลางห้องโถงรอบๆมณฑบมีรั้วเหล็กกั้นไว้ห้ามบุคคลภายนอก เข้าไปภายในบริเวณอันศักดิ์สิทธิ์นั้นเด็ดขาดมีพรามณ์แก่ผู้รักษาเทวสถานคนเดียวเท่านั้นมีสิทธิ์เข้าไปได้ตามปกติพราหมณ์ผู้นี้จะเข้าไปในบริเวณมณฑลบวันละสองครั้งคือเช้าและเย็นเพื่อสงสนานองค์เทวรูปด้วยน้ําอันศักดิ์สิทธิ์จากแม่น้ํำคงคาแล้วก็ประดับประดาตกแต่งองค์เทวรูปด้วยเครื่องอันมีค่าต่างๆ ในบริเวณรอบๆรั้วเหล็กก็เต็มไปด้วยประทีพเหนยใสและดอกไม้ทูบเทียนที่ประชาชนนำมาบูชาเทวรูปเครื่องสการะเหล่านี้ส่งควันและกลิ่นตรบห้องโถงจนหายใจแทบไม่ออกขณะที่พระเถระเข้าไปสังเกตดูสภาพภายในเทวสถานนั้นพอดีตรงกับเวลาที่พราหมณ์ผู้รักษาเทวรูปกำลังทำพิธีส่งสนานองค์เทวรูป เขาเอาผ้าม่านกั้นบริเวณด้านหนึ่งของมณฑปไว้แล้วก็ทําพิธีอยู่ข้างในคนเดียวประชาชนที่อยู่ข้างนอกม่านได้ยินแต่เสียงพรามสวดมนต์และเสียงสั่นกระดิง่งเป็นจังหวะเป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นเมื่อเสียงสวดมนต์และเสียงกระดิ่งสิ้นสุดลงก็แสดงว่าพิธีสงสนานได้เสร็จสิ้นลงแล้วพระเถระสังเกตเห็นประชาชนต่างนั่งคุกเขา่าชะเงอคอ คอยชมด้วยความกระหายครู่ใหญ่ผ่านไปพราหมชราผู้มีหนวดขาวสีขาวโลนก็โผล่ออกมาจากหลังม่านพร้อมได้ถาดใบใหญ่เต็มไปด้วยเครื่องสกาละนานาชนิดในมืออีกข้างหนึ่งมีหม้อทองเหลืองขนาดใหญ่เต็มด้วยน้ําซึ่งได้มาจากน้ําสงองเทวรูปนั้นเองตอนนั้นประชาชนยิ่งรวนเรใหญ่ดูท่าทางทุกคน พยายามที่จะผลักดันคนอื่นเพื่อจะเข้าไปหาพราหม์ชราก่อนพระเทระยืนสังเกตการอยู่ห่างๆด้วยความสนใจพราหม์ชราได้หยิบเอาเศษดอกไม้ใบไม้และเศษเครื่องบูชาอื่นๆออกจากถาดใส่ในมือที่กําลังชูสลอนอยู่ข้างหน้าเขาคนละนิดคนละหน่อยปากก็พร่ำตะโกนสั่งให้ทุกคนอยู่ในระเบียบฝ่ายประชาชนเมื่อได้รับแจกของศักดิ์สิทธิ์แล้ว ถ้าเป็นของกินได้เช่นเศษผลไม้ก็โยนเข้าปากเคี้ยวกินทันทีถ้าเป็นของกินไม่ได้ก็จะยกขึ้นจบเหนือศีรษะแล้วก็เอาเก็บไว้เป็นเครื่องสักการะบูชาสำหรับประชาชนผู้มีกําลังน้อยไม่สามารถจะเข้าไปแย่งของศักดิ์สิทธิ์กับเขาได้พรามชลาก็ดื่นน้ําอันศักดิ์สิทธิ์จากหม้อทองเหลืองให้คนละนิดคนละหน่อยทุกคนเมื่อได้แล้วต่างดูดกินน้ํา จากฝ่ายมือของตนด้วยความเลื่อมใสศรัทธาส่วนที่ยังติดอยู่ในอุ้งมือก็เอารูปศีรษะและหน้าตาเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไปพระเถระออกจากภายในเทวสถานในเวลาพลบค่ำใกล้ๆกับประตูเข้าเทวสถานเป็นเวทีปูด้วยแผ่นศิลาอันราบเรียบบนเวทีนั้นเหล่านางเทวทาสีหรือเหล่าหญิงนักฟ้อนราถวายเทวรูป ประจำเทวสถานกำลังทำพิธีไร้ลํำบูชาเทวรูปด้วยท่าทีดีลาอันน่าชมเข้ากับจังหวะดนตรีพอเหลือไปเห็นพระเถระก็ชักสายตากลับแล้วก็เดินเลยไปยังที่พักใต้ต้นไทร เมื่อบรรยากาศมืดสนิดฝูงชนก็ทยอยกันกลับบ้านทิ้งเทวสถานและพระเถระไว้ในความสงบเงียบแห่งรัตติกาลแต่ความมืดคลุ่มโลกอยู่ไม่นานนักพระจันทร์ข้างแรมก็อุทัยขึ้นทางเบื้องบุรพาทิศกลากแสนอันขาวลวนเย็นลงอาบพื้นพิพบ พ, พระเถระนั่งอยู่ในความสงบลึงแลดูพระจันทร์แล้วก็หวนคิดถึงเหตุการณ์ เกี่ยวกับการเผชิญหน้ากับลีลาวดีหรือรัตนปานีในวันสองวันที่ผ่านมาโดยเหตุผลท่านรู้สึกภูมิใจที่สามารถนําตนผ่านพ้นปากเกี่ยวปากากามาได้โดยไม่ตกเป็นเหยื่อของลีลาวดีหรือพรามหัวหน้ากองเวียนผู้เป็นสาวกของนิครนซึ่งมุ่งหมายที่จะใช้ลีลาวดีเป็นเครื่องมือกําจัดท่านเสียแต่โดยอารมณ์แล้วพระเถระก็รู้สึกเศร้าใจ อย่างลึกซึ้งที่ได้ทําให้ดิลวดีต้องผิดหวังอย่างรุนแรงบางขณะท่านก็เกิดความสงสัยขึ้นมาว่าการที่ท่านได้ตัดสินใจกระทําไปเช่นนั้นเป็นการกระทําอันถูกต้องแล้วหรือหลังจากคิดทบทวนอยู่เป็นเวลานานพระเถระก็เริ่มเห็นว่าการกระทําของท่านเป็นการทารุณต่อดิราวดีเกินไปในชาติก่อนเมื่อพระเถระหนีจากกรุมสาวัตถีไปกลุ่มราชกฤห ลีลวดีก็อุตสาห์สละเคหสถานบ้านเรือนและมารดาบังเกิดเกล้าออกบวชเป็นพิษุนีดั้นด้นตามหาจนไปพบท่านเข้าที่พระเวรุวนารามแต่ในชาติอันเต็มไปด้วยความเศร้านั้นพระเถระได้ตอบแทนความรักความเคารพบูชาอันสูงส่งของเธอด้วยความเฉยเมยและกระแทกแดกดันจนเธอเสียใจล้มเจ็บและถึงแก่มรณกรรมในที่สุด แม้กระนั้นความรักของเธอก็หาได้เปลี่ยนแปลงไม่มจุราไม่มีความหมายใดๆสำหรับเธอพลังแห่งความรักอันลุนแลงได้ส่งให้เธอไปเกิดใหม่ในตระกูลเศรษฐีแห่งพลานาสีพอเติบใหญ่ขึ้นรู้ความเธอก็เริ่มร่ำร้องถึงคนรักอีกในที่สุดเธอก็ตัดสินใจเดินทางจะไปพบกับคนรักที่กรุงราชคแต่เมื่อได้พบกับคนรัก ในระหว่างทางโดยบังเอิญหัวใจน้อยๆ อ, ยอ น, นาสงสารของเธอก็ถูกขยี้อย่างทารุณด้วยน้ำมือของคนรักอีกเป็นครั้งที่สองเมื่อคิดมาถึงตอนนี้พระเถระก็เกิดความสงสารเห็นใจลีลาวดียังจับใจน้ำตาแห่งความสงสารก็ได้เอ่อล้นออกมาเต็มเบ้าตาของท่านโดยไม่รู้สึกตัวหลังจากคิดทบทวนอยู่เป็นเวลานานพระเถระก็พูดกับตนเองอย่างหนักแน่นว่า ลีลาวดีฉันจะไปพบเธอฉันจะขอโทษเธอฉันเห็นใจเธอแล้วความรักอันบริสุทธิ์และเป็นอมตะของเธอควรจะได้รับการตอบแทนดีกว่านี้คืนนั้นพระเถระนอนไม่หลับเกือบตลอดคืนภาพลีลาวดีเป็นลมล้มสลบอยู่แทบเท้าของท่านและเสียงร่ำร้องวิงวอนของเธอคอยหลอกหลอนท่านอยู่ตลอดเวลา วันลุขึ้นพระเถระได้เข้าไปบินธบาตในกลุ่พระนาศีแต่เช้าและเดินตรงไปอย่างตามถนนหน้าปราสาทของเมติยะเศรษฐีที่ท่านได้มาดูราชเราไว้แล้วในวันก่อนตระกูลของท่านเมติยะเศรษฐีเป็นตระกูลสมาทิฏิมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ครั้งพระบรมศาสดาได้เสด็จมาโปรดพระปัญจวัคคีย์ผู้ที่อยู่ในป่า อิศตนะมฤคทายวันเมื่อเกือบ4ี่สิปีมาแล้วฉะนั้นท่านเศรษฐีจึงสั่งให้คนนำพัตหารมาใส่บาตรแก่พระพิสุในพระพุทธศาสนาและนักบวชในศาสนาอื่นๆเป็นประจำทุกเชา้ชาเช้าวันนี้พระเลวะตะเถระเป็นพิสุรูปแรกที่ไปรับบิณฑบาตนั่งทาศีผู้ใส่บาตรรู้สึกประหลาดใจไม่น้อยที่เห็นพระพิสุรูปนี้รับบิณฑบาต แล้วก็ยังไม่ยอมไปคงยืนนิ่งอยู่ที่เดิมคล้ายจะขอรับอีกเป็นครั้งที่สองซึ่งนางทาสีไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เมื่อเธอตักพระตาหารจะใส่ให้อีกพระเถระกลับเอามือปิดฝาบาทเสียขณะที่นางทาสียืนงงอยู่นั่นเองพระเถระก็ได้พูดขึ้นว่าดูก่อนอุบาสิกาอัตมาเป็นพิสุต่างถิ่นเพิ่งมาถึงพระนครนี้เป็นครั้งแรก อาตมาอยากจะทราบว่าเจ้าของบ้านผู้เป็นสมาธิธนี้มีนามว่าอะไเจ้าของบ้านชื่อเมติยะเศรษฐีนั่งทาสีตอบด้วยท่าทางงงงง่าหาว่าอาตมาละลาบละลวงเลยอาตมาอยากจะทราบต่อไปว่าท่านเศรษฐีมีบุตรหรือทิดาบ้างหรือไม่ถ้ามีบุตรธิดานั้นชื่อว่าอะไรนั่งทาสีจ้องดูพระเถระด้วยท่าทางสงสัยแล้วก็ตอบว่า ท่านมีทิดาอยู่เพียงคนเดียวที่รัตนาปานีแต่เธอเรียกตัวเองว่าลีลาวดีคนอื่นๆก็พลอยเรียกตามไปด้วยเมื่อได้ฟังคำบอกเล่าของนางทาสีพระเถระก็แน่ใจอย่างปราศจากข้อสงสัยว่าที่นี่คือบ้านเกิดในชาติใหม่ของลีลาวดีตามที่ท่านเคยเห็นในนิมิตขณะเข้าสมาธิอย่างแน่นอนและแน่ใจว่าหญิงสาวที่ท่านได้พบในระหว่างทาง และได้ปฏิเสธเธอไปอย่างไม่อะไรใ่ดีนั้นก็คือลีลาวดีนั่นเองแต่เพื่อให้แน่ใจท่านได้ถามต่อไปว่าอุบาสิกาเวลานี้ธิดาของท่านเศรษฐีอยู่ในเครือหัาหรือไม่ไม่อยู่ท่านผู้เจริญเธอพร้อมกับกองเกวียนได้เดินทางไปยังกงรุงรัชคลีหลายลาตรีแล้วจากคำตอบของนางทาสีพระเถระก็ทราบได้ทันทีว่าลีลาวดี ยังไม่กลับมาข้อนี้ทําให้ท่านเกิดความวิตกกังวลอย่างยิ่งเพราะท่านอยากจะพบกับเธอและขอโทษเธอให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แต่ถ้าลีดาวดีเกิดไม่กลับกรุมพลานาสีเดินทางต่อไปอยังกรุงาราชฤทธเล่าท่านจะทําอย่างไรพระเถระพยายามซ่อนความรู้สึกวิตกกังวลไว้แล้วก็ถามนางทาสีว่าลีดาวดีเดินทางไปกรุงาราชฤทธิเพื่อประสงค์อะไรลึก เธอบอกว่าจะไปพบคนรักในชาติก่อนของเธอตั้งแต่จำความได้เป็นต้นมาเธอก็ร่ำร้องหางพระพิสุรูปหนึ่งชื่อเลยวัตตะเธอพยายามลบเล้าให้ใครๆพาไปกรุ่งราะคลึมานานหลายปีแต่เพิ่งจะสำเร็จในคราวนี้พระเถระยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เตรียมจะออกเดินพิขาจารต่อไปแต่ต้องหยุดชะ ง, งักในเมื่อนางทาสีถามว่า ท่านผู้เจริญท่านเล่าเดินทางมาจากไหนอัตมามาจากเมืองราชครฤก์มาจากราชครฤก์หรือนางทาสีทวนคําด้วยท่าทางตื่นเต้นถ้าอย่างนั้นท่านก็คงจะรู้จักพระเรวะตะเถระคนรักของลีลาวดีนะสิอัตมารู้จักพระเรวะตะดีเท่าเๆกับตัวอัตมาเองเวลานี้ท่านอยู่ที่กรุงราชครฤก์หรือเปล่า ลีลาวดีมีโอกาสที่จะได้พบคนรักของเธอไหมท่านผู้เจริญพระเรวตัตจากกะะรุงราชคฤึกไปเสียแล้วคำตอบของพระเทละทําให้ใบหน้าของนางทาสีสลดลงทันทีเธอกล่าวด้วยเสียงอ่อยๆว่าถ้าอย่างนั้นนายหญิงของที่ฉันก็คงจะพลาดกับคนรักแต่เธอคงจะตามจนพบท่านผู้เจริญท่านทราบไหมว่าพระเรวตะเดินทางไปไหน ไปกรุงพาราณสีและเวลานี้ท่านได้มาถึงกรุงพาราณสีแล้วพระเถระตอบแล้วก็เดินออกพิขาจาร์ต่อไปปล่อยให้นังทาสียืนตกตรึงอยู่คนเดียวเมื่อได้พัฒหารพอย่างชีบให้เป็นไปสำหรับวันนั้นแล้วพระเถระก็กลับไปทำพัฒกิจที่ใต้ต้นไทรใกล้เทวสถานในตอนเช้า ประชาชนมาทำการนมัสการบูชาเทวรูปมากกว่าในตอนเย็นสิอีกกรุงพารณาณสีในฤดูนี้มีผู้คนพลุกพล่านเกลื่อนกล่นกว่าฤดูใดๆในรอบปีด้วยเป็นฤดูแรงประชาชนจากภาคต่างๆของชมพูทวีปจึงเดินทางมาอาบน้ำล้างบาปในแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ตามประเพณีนิยมเมื่อกระทำพัฒกิจเสร็จพระเถระ ก็นั่งพักผ่อนอิริยาบถอยู่ใต้ต้นไทรนั้นครู่หนึ่งต่อมาพระเถระสังเกตเห็นหญิงสาวสองคนแต่งกายด้วยภูสาอาอภรร์อันสวยงามกว่าคนอื่นๆเดินตรงมาหาท่านหญิงสาวทั้งสองได้นั่งลงข้างหน้าพระเถระแล้วก็ยกมือไหว้หญิงสาวคนหนึ่งในจำนวนสองคนได้กล่าวขึ้นว่าท่านผู้เจริญดิฉันชื่อสุทินีเพื่อนของดิฉัน ชื่อนิมมาลาเราเป็นเทวทาศีฟ้อนล่ําถวายเทพเจ้าเป็นประจำอยู่ในเทวสถานนี้พูดแล้วก็หยุดนั่งก้มนานิ่งอุบาสิกาเธอมีธุระอะไรก็พูดไปเถอะพระเทระพูดเตือนเมื่อเห็นหญิงสาวทั้งสองนั่งนิ่งนานผิดปกติหญิงสาวทั้งสองช้ำเหลืองตามองกันยิ้มอย่างมีในและเอาข้อศอกกระทุ้งกันและกัน คล้ายกับจะเตือนให้อีกคนหนึ่งพูดไม่มีอะไรหรอกท่านพูจเจริญหญิงสาวที่ชื่อนิมมาราพูดขึ้นแต่ก็ไม่ไหวจะหันไปค้อนให้เพื่อนเราเห็นมีภิกษุในพระพุทธศาสนามาพักใกล้เทวสถานของเราก็เกิดสนใจอยากจะมาสนทนาด้วยเท่านั้นเองเพราะตามปกติพระภิกษุมักท่องเที่ยวไปตามหมู่บ้านตามนิคมชนบทต่างๆได้รู้ได้เห็นมากบางทีการสนทนากับพระภิกษุ ก็จะทําให้ได้ยินได้ฟังเรื่องแปลกๆใหม่ๆเหมือนกันพระเถระนึกชมเชยท่วงทานองคำพูดของหญิงสาวอยู่ในใจเพราะแสดงให้เห็นความฉลาดหลักแหลมของเธออยู่ในทีเป็นความดำริที่ดีแล้วพระเถระคล้อยตามอัตมาเองก็เคยเดินทางท่องเที่ยวมาหลายบ้านหลายเมืองได้รู้ได้เห็นอะไรต่างๆมามากมายพอดู ถ้าอุบาสิกาอยากจะรู้สิ่งใดโดยเฉพาะก็ถามได้หญิงสาวทั้งสองเอาสอกกระทุ้งกันอีกคล้ายกับหมดเรื่องที่จะพูดโตตอบเสร็จแล้วพระเทราเห็นว่าธรรมดาหญิงสาววัยรุ่นย่อมมีความอายเป็นเจ้าเรือนไม่กล้าพูดกล้าคุยกับคนแปลกหน้าทั้งๆที่ต้องแย่งกันพูดในเมื่ออยู่ระหว่างพวกเดียวกันถ้าท่านจะเป็นฝ่ายชวนพูดเสียก่อนก็คงจะเป็นการสมควรดังนั้น ท่านจึงถามว่าอุบาสิกาได้เป็นเทวทาสีฟ้อนลาประจําเทวสถานแห่งนี้มานานแล้วหรือญิงสาวทั้งสองมองดูหน้ากันคล้ายกับจะดูว่าใครจะเป็นคนตอบก่อนเมื่อสุดที่นีพยักหน้านิมมาราก็ได้พูดขึ้นว่าดิฉันเป็นเทวทาสีมาตั้งแต่เป็นเด็กๆทีเดียวมารดาบิดาได้นํามามอบให้เทวสถาน ตั้งแต่อายุเจ็ดปีจนกระทั่งบัดนี้พระเถระสังเกตจากท่าทางและน้ำเสียงของเธอเธอเล่าเรื่องของตนด้วยความรู้สึกไม่เป็นสุขเลยแต่บางทีการได้ระบายความทุกข์ในใจของตนให้คนอื่นฟังก็เป็นวิธีบรรเทาทุกข์ได้บ้างเหมือนกันพระเถระจึงถามต่อไปว่าทำไมบิดามารดาจึงนำมามอบให้เทวสถานแรกทีเดียวดิฉันก็ยังไม่ทราบ นิ ม, มาราตอบด้วยใบหน้าที่มีแววเศร้าต่อเมื่อโตขึ้นมีคนเล่าให้ดิฉันฟังว่าเมื่อมารดาของดิฉันเริ่มตั้งครันขึ้นนั้นทั้งมารดาและบิดาต่างปรารถนาจะให้บุตรในคันเป็นชายเพราะชาวเมืองพราณาศีต่างปรารถนาบุตรชายไว้สืบสกุลและเพื่อให้บุตรชายช่วยให้พ้นจากบุตรตานรกมารดาบิดาของดิฉันจึงได้มาทําพิธีบนบาลต่อเทพเจ้า ที่เทวสถานแห่งนี้เพื่อขอให้ได้บุรชายท่านบ่นบาลว่าถ้าได้บุรชายมีลักษณะงามพร้อมถ้าบุตรคนต่อไปเป็นหญิงท่านจะถวายให้เป็นนางเทวทาศีประจําเทวสถานปรากฏว่าบุตรคนแรกคลอดออกมาเป็นชายจริงๆและบุตรคนที่สองก็เป็นหญิงจริงๆบุตรคนที่สองก็คือดิฉันเองท่านจึงนามาถวายเป็นเทวทาศี ตั้งแต่ดิฉันอายุเจ็ดขวบพระเถระนั่งนึกตำหนิมารดาบิดาของนิมราอยู่ครู่หนึ่งที่กระทำทารุณกรรมต่อลูกจริงของตนแล้วก็พูดว่าแต่เธอก็มีความสุขสบายในภาวะที่เป็นเทวทาสีไม่ใช่หรือแรกๆ ก, ก็สุขสบายดีท่านผู้เจริญเพราะเป็นชีวิตที่ไม่มีอะไรนอกจากร้องรำทำเพลงไปวันๆไม่ต้องรับผิดชอบอะไร แต่เมื่อโตขึ้นมีความคิดขึ้นดิฉันก็เริ่มเกิดความเบื่อหน่ายต่อชีวิตที่ปราศจากหลักแหล่งแบบนี้ปราศจากหลักแหล่งอะไรในเมื่อมีรายได้เลี้ยงตนอย่างเพียงพอจากเทวสถานรายได้ที่ทางเทวสถานแบ่งให้ใช้เป็นประจำนั้นไม่เพียงพอหรอกท่านผู้เจริญเราต้องหารายได้จากทางอื่นมาจุนเจือจึงพอยังชีพให้เป็นไปได้ วิะนั้นก็คงจะอดตายแน่ๆ แ, แล้วอุบาสิกามีวิธีหาไรายได้อะไรเป็นพิเศษเต้าคำถามของพระเถระทำให้หญิงสาวทั้งสองต้องหันหน้าเข้าซุบซิบกันอยู่ครู่หนึ่งแล้วดิมลาก็พูดขึ้นท่านผู้เจริญท่านไม่ทราบจริงๆหรือว่าทราบแต่แกล้งถามเพราะใครๆเขารู้กันทั้งนั้นว่าพวกเรามีไรายได้พิเศษอย่างไรอัตมาไม่ทราบจริงๆพระเถระตอบ เพราะไม่ค่อยได้คลุกคลีกับเทวสถานจึงไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรลึกซึ้งแต่ถ้าอุบาสิกาเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรบอกก็ไม่ต้องบอกอัตมา ก, ก็ได้นิมมาลาหันหน้าไปมองสุทธินีครู่หนึ่งเป็นเชิงปรึกษาเมื่อสุทธินีพยักหน้าเธอจึงพูดว่าความจริงไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเพราะใครๆเขาก็รู้กันทั่วแล้วดิฉันบอกก็ได้ คือว่าเราเหล่าเทวทาศีเป็นคนสาธารณะมีหน้าที่ให้ความบันเทิงแก่ประชาชนพร้อมกับการบูชาเทพเจ้านอกจากจะให้ความบันเทิงด้วยการไร้รำทําเพลงแล้วเรายัางให้การบําเพลยแก่ชายผู้ให้ค่าจ้างด้วยพระเถระถึงกับตกตะลึงเมื่อได้ยินคําบอกเล่าของหยิงสาวเพราะเป็นเรื่องใหม่ที่ท่านไม่เคยได้ยินมาก่อนท่านไม่เคยได้คิดว่า หญิงสาวผู้ประกอบาศาสนกิจประจำาศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์จะไปกระทมกรรมอันต่ำสามเช่นนั้นด้วยแต่เมื่อเห็นว่าเรื่องมันจะออกไปสู่โลกิวิสัยเกินไปพระเถระจึงนิ่งเสียวิได้ถามอีกต่อไปแต่มิได้เป็นเหมือนกันทุกคนดอกนะท่านสุดที่นี่พูดขึ้นอย่างคืนขังแบบป้องกันตัวแล้วแต่ความสมัครใจของใครอย่างดิฉันนี้ ไม่เคยหารายได้พิเศษแบบนั้นกับเพื่อนเขาเลยเพราะดิฉันเพิ่งจะมาสมัครเป็นเทวทาสีเมื่อสองเดือนเศษมานี้เองสุดที่นี่ไม่ใช่คนเมืองพาราสีลิมมาลาเสริมขึ้นเธอมาจากเมืองขยาเล่าให้ท่านฟังสิว่าเรื่องเป็นมาอย่างไรเธอหันไปบอกเพื่อนสุดทีนีนั่งก้มหน้ากัดริมฝีปากนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ถามขึ้นว่าท่านผู้เจริญ ท่านรู้จักความรักหรือไม่คำถามอันแปลกประหลาดของหญิงสาวทําให้พระเถระถึงกับตกตะลึงทราบสิพระเถระตอบงงๆงทาไมอุบาสิกาจึงถามอย่างนั้นเล่าท่านเคยรักใครมากๆหรือไม่สุดที่นีถามย้ําเข้าไปอีกเคยพระเถระตอบสั้นๆจ้องมองดูหญิงสาวด้วยความสงสัยถ้าอย่างนั้นท่านก็คงจะทราบดีว่าความรัก มีพลังยิ่งใหญ่เพียงใดพลังความรักนี้เองทําให้ดิฉันต้องจากบ้านเมืองมาเป็นเวลาปีเศษมาแล้วและอาจจะต้องละเหยเร่ร่อนต่อไปอีกจนกว่าจะพบเขาอาจจะเป็นพรุ่งนี้เดือนหน้าหรือปีหน้าหรืออาจจะไม่มีวันพบเขาเลยก็ได้แต่ดิฉันก็จะตามหาเขาต่อไปหมายความว่าอุบาสิกากําลังจะตามหาคนรักพระเถระ พูดเป็นเชิงถามพ่างคิดในใจว่าทำไมหนอในระยะเวลาสองสามวันที่ผ่านวันนี้จึงได้ยินได้ฟังแต่เรื่องของคนที่ยอมมอบกายถวายชีวิตแก่ความรักมันจะเป็นเพียงเหตุบังเอิญหรือว่าเป็นความตั้งใจของพูดผีปีศาจ ต, ตนใดที่ตั้งใจจะสอนให้ท่านเห็นคุณค่าของความรักถูกแล้วท่านพูดจเจริญสุธินีตอบด้วยเสียงเด็ดเดี่ยว ดิฉันกำลังตามหาเขาเขาจากดิฉันไปเป็นเวลาสามปีแล้วแต่เขาบอกว่าเขาจะไม่ตายเพราะเขากำลังตามค้นหาสิ่งที่ไม่ตายดิฉันคอยเขาอยู่เป็นเวลาสองปีเต็มเมื่อแน่ใจว่าเขาไม่กลับมาจึงออกตามหาเขาไปตามบ้านเมืองน้อยเมืองใหญ่ต่างๆเรื่อยมาจนถึงกรุ่มพระนาศีนี้ดิฉันเข้ามาสมัครเป็นเทวทาศีนี้เป็นการชั่วคราว เพื่อหารายได้เลี้ยงชีพและเพื่อสืบดูว่าเขาจะผ่านมาแถวนี้หรือไม่เท่านั้นถ้าไม่พบเขาดิฉันก็จะออกเดินทางต่อไปบัดนี้ดิฉันแน่ใจแล้วว่าเขาไม่ได้ผ่านมาทางนี้ดิฉันตั้งใจจะไปจากที่นี่ภายในไม่ช้านีแล้วดิฉันเห็นพระภิสุผู้เดินทางท่องเที่ยวมามากอย่างท่านจึงอยากจะมาไต่ถามดูเพื่อว่าท่านอาจจะได้พบเขามาบ้าง คนรักของเขาชื่อวินทุกะท่านผู้เจริญดิมมาลาพูดขึ้นอย่างเห็นอกเห็นใจเพื่อนเป็นชาวเมืองขยาเหมือนกันพอสําเร็จการศึกษาจากตักศิลาเขาก็กลับมาบ้านแต่มาอยู่ได้ไม่นานเขาก็จากไปบอกว่าจะสแสวงหาคนที่ประกาศตนว่ามีความสุขเขาบอกว่าจะกลับมาภายในสองปีเป็นอย่างช้าเมื่อครบสองปีแล้ว เขาไม่กลับมาสุดที่นีจึงออกตามหาเขาท่านเคยพบชายหนุ่มชื่อนี้ที่ไหนบ้างหรือไม่คําบอกเล่าของนิมมาลาทําให้พระเถระหวนคิดถึงชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อวินทุกะเหมือนกันและกําลังแสวงหาคนที่มีความสุขเหมือนกันที่ท่านได้พบริมบ่อน้ําในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางทิศใต้ของกรุงราชกรื้เมื่อเกือบปีมาแล้วถ้าอย่างนั้น อาตมาเคยพบเขาครั้งหนึ่งที่ตำบลแห่งหนึ่งไม่ไกลจากลาจกลุงมราชครื้นักพอได้ยินคำตอบของพระเถระเท่า น, นั้นเองสุดที่นีก็แสดงอาการดีอกดีใจตื่นเต้นจนน้ำตาไหลเธอซักไซไล่เลียงพระเถระอย่างละเอียดเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของคนรักจนแน่ใจว่าใช่แน่แล้วก็อำลากลับสู่เทวสถานด้วยท่าทางมีความสุขประหนึ่งว่า ได้พบคนรักแล้วความรักหนอความรักเจ้าเชองมีพลังอันมหาศาลต่อสัตว์โลกอะไรอย่างนี้พระเถระอุทานเบ า, บาเมื่อเทวทาศีทั้งสองจากไปแล้ว กล่าถึงทางด้านกองเกวียนของลีลาวดีเมื่อพระภิษุประหลันั้นจากไปแล้วพราหมณ์แก่ผู้เป็นลุงก็พยุงหลานสาวกลับไปยังกองเกวียนลีลาวดีเอาแต่ร้องไห้คร่ำครวญไม่ยอมพูดจาอะไรทั้งสิน้นในกองเกวียนและลูกน้องต่างนั่งล้อมวงปลอบโยนหญิงสาวด้วยความวิตกกังวลเดี๋ยวร้ อ, องไห้คร่ำครวญไปเลยหลานเอ้ยชายแก่พูดขึ้นด้วยเสียงสั่นเครือ ลุงเชื่อว่าพระพิสุรูปนั้นคงจะไม่ใช่พระเรวัตะอย่างแน่นอนถ้าใช่เขาก็คงจะไม่เฉยเมยกับเธออย่างนี้เขาควรจะดีใจที่ได้พบกับเธออีกเขาควรจะพูดจากับเธอดีๆไม่ควรจะพักสายไล่ส่งอย่างไม่อะไรใหญ่ดีเช่นนี้เชื่อลุงเธอรัตนปาณีคุณลุงขาลีลาวดีพูดขึ้นพลางเสกสะอื้นพระพิสุรูปนั้น จะเป็นคนอื่นไปไม่ได้นอกจากเรวตะลีลาวดีจําได้ดีไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตากริยาท่าทางสําเนียงคําพูดหรือแม้แต่ จ, จิตใจก็บอกชัดว่าเป็นเรวตะ์ลีลาวดีไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยเป็นไปได้หรือที่คนสองคนจะเหมือนกันทุกกระเบียดนิ้วทั้งกายวาจาและใจชายแก่นั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็กล่าวขึ้นด้วยเสียงหนักแน่นว่า เอาละหลานเอ้ยเมื่อเราไม่สามารถจะทราบความจริงแท้ได้ก็มีทางเดียวเท่านั้นคือเราต้องพิสูจน์คุณลุงจะพิสูจน์อย่างไรลีลาวดีถามจ้องดูชายแก่ด้วยความสงสัยเราจะต้องเดินทางต่อไปจนถึง ก, งกรุงราชฤท์ไปถามดูเทพรเวรวนารามถ้าเราได้พบกับพระเรวัตะที่นั่นก็แสดงว่าพระพิสูตรรูปนี้ไม่ใช่พระเรวัตะ แต่ถ้าเราได้ทราบว่าพระเรวตะไม่อยู่ที่พระเวรุวานารามและมีคนบอกเราว่าพระเรวตะเดินทางไปอย่างกรุงพาราณสีเสียแล้วพระพิษุรูปนั้นก็อาจจะเป็นพระเรวตะก็ได้เหมือนกันลีลาวดียิ้มทั้งทั้งน้ำตาแต่เป็นการยิ้มเยาะความคิดของลุงมากกว่ายิ้มด้วยความพอใจเธอสายหน้าช้าๆแล้วกล่าวว่าคุณลุงขา คุลุงอาจจะเห็นว่าลีลาวดีเป็นเด็กดื้อรั้นไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่แต่ลีลาวดีก็เชื่อมั่นจริงๆว่าพระพิสุรูปนั้นคือเลยวัตตะรู้สึกว่ามีอะไรหลายอย่างที่ทําให้ลีโรดีเชื่อเช่นนั้นไม่มีประโยชน์อะไรหรอกที่จะไปพิสูจน์ถึงกรุงรัชกรื้เมื่อเราไปถึงพระเวรุวานารามคนก็จะบอกเราเป็นเสียงเดียวว่าเธอคาดการล่วงหน้าเอาเอง คุณลุงพูดขึ้นด้วยใบหน้าแสดงความไม่พอใจเธอจะไปรู้ได้อย่างไรในเมื่อเรายังไม่ได้ไปพิสูจน์เชื่อลุงเถอะเราออกเดินทางไปราชกฤชกันดีกว่าลีลาวดีไม่ไปหญิงสาวพูดขึ้นอย่างเด็ดขาดทําให้ทุกคนที่นั่งอยู่โดยรอบหันมามองดูเธอเป็นตาเดียวแล้วก็หันไปมองดูหน้ากันด้วยความงงงวย